ขอความเจริญในธรรมจมีแต่ท่านผูกฟังทั้งหลายแต่หลงประโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องทุกขสมุทัยเคยเกิ ด, กดแห่งความทุกข์ซึ่งส่งเน้นไปที่ตัณหาสามอาการหรือการาตัณหาความอยากได้รูปเสียงรินรสผลิภัธรมรมารุ่ที่ใจเขาไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ต้องการได้ไปเรื่อยๆจนไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าเมรไรจะเต็มเมรไรจะอิ่มเมรัรจะพอเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นในฐานะในตำแหน่งในชั้นยศต่างๆงถึงราเราเชียบเคียงแล้วเนี่ยก็คืออยากอยากได้ส่วนที่เป็นลาก อยากได้ส่วนที่เป็นยศเพื่อตัวเองจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นและอยากได้สันเสอร์แล้วก็อยากได้ความสุขตามที่ใจเขากำหนดไม้เอาคือเราหาข้อยุติไม่ได้นะฮะว่ายังไงที่เป็นวัตถุกรรมจริงๆเพราะสิ่งที่เราเห็นเป็นต้นนั้นคนหนึ่งอาจจะชอบคนหนึ่งอาจจะเฉย ๆ, ๆคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบ วันตันนึงบอกว่าที่จิตคนไปกําหนดเอาเ่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจแล้วกระแสตัณหาก็จะปังเกิดขึ้นทัวมับใจของบุคคลเหล่านั้นเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นในฐานะตำแหน่งชั้นยศต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็จริงมันก็หาข้อยุติไม่ได้ว่าเป็นระดับใดที่ สามารถยุติความปรารถนาได้เราก็ต้องการเป็นกันเรื่อยๆแล้วไปถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นวิภวทจันหาหรือความไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นเป็นอาการของโทสะแต่มันก็ซ้อนอย่างไงชอบกลคือแสดงว่าเราไม่อยากเป็นอย่างหนึ่งก็หมายความว่าอยากเป็นอีกอย่างหนึ่ง ถ้่ต้องการได้อย่างหนึ่งก็คือต้องการได้อย่างหนึ่งจะแสดงว่าตัณหาที่ซ้อนตัณหากันจุแล้วความรู้สึกหนึ่งก็จะแรงบางคราวบางคราวก็อาจจะออกมาในรูปโทสะที่ชัดเจนแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็สืบเนื่องมาจากโมหะแต่ยังไงก็ตามนะฮะคือโลกเราเนี่ยมันก็เกิดมาจากตัณหา ที่ทรงแสดงว่าตัณหาชเนติบุริสังตัณหายังชนให้เกิดคือตราบใดที่เราทําลายตัณหาไม่ได้หมดไปจากใจเนี่ยการเกิดในกําเนิดต่างๆต้องเกิดหรือว่าเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นขึ้นมาโดยจิตใจที่ไขวคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมา ในเรียกว่าโสนรสกิตรัรกิจของอริยสัตว์สี่อย่างที่บอกไว้หลายวันแล้วว่าทุกในอเรียสัตว์กับทุกในใจลักษณ์นั้นกรอบไม่เท่ากันกรอบของทุกใจลักษณ์นั้นจะครอบคลุมสรรพสิ่งเอาไว้แต่เว้นนิพพานอย่างเดียวแต่ว่า ทุกในเรียสัตว์นั้นจะต้องเป็นทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากตัณหาคือหมายความว่าเป็นทุกข์ของสิ่งมีชีวิตแต่ก็ไม่ได้หมายความ่าทุก์ชีวิตเพราะถ้าชีวิตใดที่ตัณหามันจางคลายไปลดไปมันถ่อไปในความทุกข์ก็จะลดตามไปจราบใดที่ยังมีตัณหาอยู่ความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของตัณหาที่ปรากฏภายในจิตของบุคคล นั้นท่านจึงให้นิยามความหมายคือกรอบของตัณหาไว้ว่าหนึ่งเป็นอัดให้เกิดกองทุกข์คำวากองทุกข์ก็คือทุกขกขันก็ได้แก่ขันทั้งห้านะครับคือเราจะเห็นว่าบางครั้งก็พูดถึงตัณหาอวิชชาตัณหาอุปอาทานว่าเป็นกรรมแห่งสังสารวัฏ ประหารทั้งหลายนั้นได้ทําลายอาวิชชาตะนาวปาทานออกไปจากใจก็หมายความว่าใจท่านไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมจากขณะที่หมดกิเลสไปนะฮะแต่ว่ากรรมในอดีตมันก็มีอยู่จนกว่าท่านจะนิพพานกรรมมก็ตามให้ผลไม่ได้เพราะไม่มีที่ให้ผล เนื่องจากท่านไม่มีการเกิดก็มีว่าตายเกิดอีกต่อไปก็แสดงว่าการเกิดในกำเนิดต่างๆของมนุษย์ของสัตว์โลกเนี่ยตหาเป็นตัวหลักแต่ว่าเวลาเรียงลำดับของสังสารวัตรเนี่ยคือจะเรียงออกไปเป็นสามช่วงช่วงหนึ่งก็คือ เป็นช่วงที่เมียวิชาที่ท่านเรียกว่าเป็นอดีตเหตุอวิชากะสังขารคือเกริรตกรรมเนี่ยเป็นอดีตเหตุเป็นเหตุที่ติดจิตของบุคคลมาแล้วก็สร้างขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณ น, นำคนไปบังเกิดในกำเนิดต่างๆเมื่อเกิดเสร็จเขาก็มีนามรูปอายตนาผัสสะเวทนาพอกระทบอารมณ์เข้ามันก็มีตัณหา เพราะว่าเชื้อภายในใจมีกิเลสอยู่ตหนาจึงเป็นปัจจุบันเหตุแล้วก็ไปยึดติดในขันทั้งห้าก็กลายเป็นอุปาทานขันอย่างที่เราสวดเวลาสวดเรื่องตุกขสัตว์นะีที่ทรงแสดงสรุปไว้ในช่วงสุดท้ายที่ว่าสังคิเตนาปันจุปาทานขั น, ขนทากถขากล่าวโดยสรุปจิตทยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั้นเองตังความทุกข์ วันชีวิตของเราจึงเป็นก้อนทุกข์หรือเป็นกองทุกข์เขาเรียกว่าทุกขกะขันคือกองของความทุกข์หรือก้อนของความทุกข์แต่อย่างนั้นคุนสังเกตว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแต่มันจะเป็นองค์ประกอบปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยนั้นก็มีทั้งรูปธรรมและก็นามธรรมอย า, าในกรณีที่ยกไว้ในตอนต้นนะเราจะเห็นว่านันก็เป็นกิเลสกกรรมซึ่งมันเป็นนามธรรม แต่นำมาทำโดยลำพังก็ไม่สามารถจะเกิดได้นะมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมส่วนใหยากลางละเอียดมันก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างการเกิดมาเป็นมนุษย์พวกนี้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดอะไรละ่ะเขาเป็นกิเลสวิชาตนาุปราทานเนี่ยเป็นกับกรรมเนี่ยร่วมกันก็เป็นเหตุ ทำให้เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาที่เราเรียกว่านามรูปนะ่ะคือพูดง่ายๆ่าก็าคือชีวิตชีวิตในกำเนิดทั้งหลายจะเป็นอบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกปรมโลกสิบหกปรมโลกสี่รวมแล้วว่าสามสิบเบ็ดภพหรือสามิเ็ดภูมิเนี่ยมันก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอวิชาตาหนาวปาทานซึ่งมันหยาบรางละละเอียดไม่เหมือนกัน เราทำให้ภูมิจิตเนี่ยหยาบกลางละเอียดแตกต่างกันเพราะพบที่จิตไปบัติก็เหมือนกันแต่มันก็เป็นพบนะก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นก็ไปสร้างตัวทุกข์ขันขึ้นมาคือกองของความทุกข์หรือก้อนของความทุกข์เมื่อเรามองดูให้ดียกเว้นพันิพาณแล้วเนี่ยก็ที่จริงก็คือขันหะขันหะมันสรุปรวมไว้ทั้งหมด สุรรวมแล้วก็เป็นขันห้าขันห้าเองก็สรุปรวมแล้วก็เป็นนามรูปหรือกายกับจิตหรือรูปกับ น, นามอย่างที่เราพูดเนี่ยกายกับจิตบ้างรูปนามบ้างนามรูปบ้างแล้วก็แด้แต่จะใช้จนถึงภาษาทางวิทยาศาสต์พูดถึงเรื่อง ส, สารกับพลังงานมันก็ไม่อื่นไปจากเรื่องกายกับจิตส่วนรูปรขันเนี่ยเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปด้วยเหตุด้วยปัจจัย เรารูปมันก็มีหยาบกลางละเอียดของมันเห็นว่ารูปที่เราเห็นได้ด้วยตาเนี่ยเป็นรูปที่ค่อนข้างหยาบหยาบก็มีละเอียดก็มีนะฮะแต่รูปที่เราได้ยินด้วยหูนี่คือเสียงนี่มันก็เป็นรูปแต่เราสังเกตมันละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ด้วยประสาทหูอย่างเดียวประสาทอื่นไม่สามารถจะรู้เสียงได้แล้วกลิน่น นลกตัวกลิ่นนะฮะตัวที่คบคันน้ประสาทคือกระทบประสาทจมูกทำให้รู้กลิ่นหอมต่างๆที่ไม่เหมือนกันและจากนั้นก็จะกลายเป็นชิวหาประสาทเป็นตัวรับรสรสนะฮะตัวเปรี้ยวความเปรี้ยวความหวานความมันความเค็มแล้วก็ตลอดถึงผู้สังขารตรงเนี้ยสังขารตรงเนี้ยมันจะเป็นธรรมะทั้งหลาย กุศล น, ก, ศลนกุศลนะกางๆลทั้นรวมแล้วก็เป็นเท่าไรแต่ห้าสิบสองข้อเท่านั้นเองห้าสองข้อจริงสรุปแล้วก็กุศลธรรมะกุศลา ธ, าลาธารรมะปยัดกตาธรรมานะครับทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขทําที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำที่เป็นกลางๆงก็ให้ผลออกมาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วหน้าก็วิญญาณคือจิตนะที่ทําหน้าที่รับ อารมณ์ซึ่งผ่านมาทางภาษา ส, สัมผัสเราเรียกว่าวิญญาณขันหรือวิถีวิญญาณวิญญาในรู้สึกว่าเป็นภาษาที่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในถามเยอะมากแล้วก็ตั้งแต่ระดับนักศึกษาปี4ีขึ้นมาไปจไปีีลงไปนะหรือ แ, แม้แต่เด็ ก, เ ล, กเล็กนะจะชอบถามเรื่องวิญญาในถามเยอะเลย แล้วว่าถามว่าหมายถึงอะไรที่ถามเนี่ยตัววิ ญ, ญญาณตัวนี้หมายถึงอะไรเธอก็พูดในทํานองใกล้ๆกับผีมาหลอกมาการแสดงตัวให้เห็นบ้างมาหลอกหลอนบ้างแล้วก็เรียกสิ่งเหนอเนี่ยวิญญาณไอ้จริงวิญญาณในความหมายศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้หมายอย่างนั้นนะเราเห็นว่าวิญญาณในขันห้านั้นคือจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสเราก็เรียกว่าวิญญาณ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่องค์ประกอบร่วมของกิเลสกรรมเนี่ยสร้างขึ้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็ไปถือกำเนิดในภพภูมิต่างๆตามการจำแนกแบ่งแยกของกรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลแล้วประการที่ต่อไปก็คือ ก็เรียกวิ ญ, ญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณหมายความวิญญาณไปถือไปติสนธิในกำเนิดอย่างใดอย่างหนึ่งส่งจําแนกไว้เป็นวิ ญ, ญญาณทิติเจ็ดประเภทด้วยกันคือที่ตั้งของวิญญาณเจ็ดประเภทด้วยกันเวลานี้มีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งก็นํามาใช้ในภาษาทางวิชาการพูดถึงจิตวิญญาณ เราเห็นได้ชัดว่าเป็นภาษาที่แปลมาจากฝรัง่งเพราะจิตกับวิญญาณเนี่ยจริงพอหมาอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าจิตทําหน้าที่จําอารมณ์คิดอารมณ์รู้อารมณ์ซึ่งก็คือวิญญาณถ้ารู้อารมณ์ก็คือจิตที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ก็คือวิญญาณจิตที่ทําหน้าที่จําอารมณ์ก็เรียกว่าจิตจิตที่ทําหน้าที่คิดอารมณ์ก็เรียกว่าจินตนา จิต่ทําหน้าที่รู้ลึกซึ้งก้นไปนี่เรียกว่าสัญญาบ้างเรียก ว, วิญญาบ้างเรียกว่าปัญญาบ้างนะฮะแต่ตลอดถึงตลอดถึงเรียกวิวญญาณเลอเนี่ยภาษาต่างประเทศเดี๋ยก็เข้ามาเนี่ยบางทีมันก็เป็นภาษาลิเกนะฮะคือมันไปทับซ้ำกันอยู่ทาให้เวลาสื่อสารเนี่ยไม่เข้าใจว่าจะแยกยังไงล่ะ มันคล้ายๆกับเจ็ดจำนงมุ่งมั่นที่ทำงานด้วยทุ่มเทลงไปจริงๆเกอททำงานด้วยจิตปัญญามุ่งมั่นจำนวนเสียสละเพื่อชาติปันเมืองแล้วก็มุ่งมั่นไปทุ่มเทไปสุดริษสุดแรงในเรื่องเหลนั้นก็เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ท่านเรียกว่าจิตปัญญาแต่ว่าโดยความหมายจริงๆแล้วมันก็มีสี่ห้าอย่างอย่างที่กล่าวแล้ว แต่ไม่ใช่รูปของวิญญาณที่ล่องลอยเราก็มีคำายู่คำหนึ่งที่พูดถึงสัมเวสีเราแปลว่าพูดแสวงหาพบแล้วก็พูดไปพูดมาทำนองคล้ายๆกับคนตายแล้วยังไม่ได้ไปเกิดเท่แสวงหาที่เกิดอยู่แต่ความหมายจริงๆสัมเวสีนี่ไม่ใช่หมายอย่างนั้นมันหมายตั้งแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ย นับตั้งแต่พระนาคามีลงมาเรียกว่าสัมปเวสีเราเรียกเป็นคู่นะผูตะกับสัมปเวสีถ้าในกรณีนี้ถ้าเรียกคู่อย่างเนี้ยผูตะก็หมายถึงพระอาหารหันต์สัมปเวสีก็คือจากพระนาคามีลงมาถ้าเรียกคู่อย่างนี้นะมีข้อแม่แต่าบางทีเนี่ยผูตะก็หมายถึงเทวดาทั้งหลาย เชีญาณีตะูาาตานิสมาคาตาณิอะไรๆที่เราสวดเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงครุกระเทวดาภูมันเทวดาอากาศสติวดาทั้งหลายเนี่ยก็จะหมายถึงแถวตรงนั้นเพราะฉบางครามางคราวก็ต้องดูเหมือนกันแต่เราสังเกตว่าตรงเนี้ยมันเป็นผลมันเป็นผลที่มาจากกิเลส ก, กรรม ก็เป็นตัวจำแนกแบ่งแยกก็ว่ากันไปก็แต่จะเป็นอะไรก็ชนะ่างนะยังพบภูมิทั้งหมดสามสิบเอดพบเนี่ยอันที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นสภาพจิตที่มีกุศ ล, ลกรรมแตกต่างกันหรือว่ามีกิเลสมากน้อยไม่เหมือนกันแล้วแต่จะพูดนะฮะหมายความถ้ากิเลสน้อยเนี่ยแสดงว่าธรรมะมากมากุศ ล, ลกรรมก็มาก ถ้ากิเลสมากเนี่ยแสดงว่าธรรมะน้อยกุศลกรรมก็น้อยเพราะในะความมากความน้อยของกิเลสเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดความมากหรือความน้อยของธรรมะความมากความน้อยของธรรมะจะ ก, กําหนดความมากความน้อยของบุญกุศลพวกนี้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเราเรียกเป็นปัจจัยของกัารละกันนะเช่นสมมติว่า คนเรามีความโลภน้อยเนี่ยแสดงว่าความไม่โลภเขามากความเสียสละมากแล้วก็มีน้ําใจต่อคนทั้งหลายนี่มาบางทีเราก็พูดต่อคนเหล่านี้มีน้ําใจคนที่มีน้ําใจก็คือคนที่เสียสละคนที่ไม่โลภจะหมายความว่าเขาก็ไปหลงมากแล้วเขาก็ไม่โกรธมากนะฮะเราลองสังเกตว่าถ้าใครก็าตามที่เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่เสียสละไปช่วยเหลือเขาหรอก าการที่เราเสียสละก็แสดงว่าเราชอบเขาการเสียสละจึงไม่ได้ละเฉพาะโลภะโทสะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะโลภะอย่างเดียวนะฮะแต่เวาลาได้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเค้านี้ลองสังเกตนะให้สังเกตที่จิตเราคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะไปยึดติดในภาษาสำนวนโมหารที่พูดกันแล้วเราก็ไม่เคยดูที่จิตเราเองพอไม่ดูที่จิตแล้วมันมันจะเข้าใจยากธรรมาเนี่ย อาจจะตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาพอสมมติว่านายกเนี่ยเราไม่ชอบแกเรามีสีตังแยะเราก็พร้อมจะให้คนอื่นแต่ถามว่านายกรเราให้ได้ไหมบอกว่าเราให้ไม่ได้ถามว่าทำไมล่ะไม่ชอบหน้าเขาอะ่ะก็แสดงว่าโทสะเนี่ยปิดกัน้นปิดกั้นไม่ให้เราบริจาคช่อยหลือกื้กูลแกนายกได้แต่นี้ถ้าโทสะมันจางคลายลงไป แล้วก็มีโอกาสที่จะให้ที่จะสงเคราะห์กันาก่อได้นี่ก็เป็นหลักการที่ให้ศึกษาพิจารณาเทียบเคียงไว้ได้ทีเดียวของพวกนี้ถ้าเขาลดแล้วเขาลดด้วยกันถ้าเขาเพิ่มแล้วเขาก็เพิ่มด้วยกันทีนี้อจากการลดการเพิ่มเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าไอ้ก้องกองของทุกหรือก้อนของทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากกําเนิด ที่แตกต่างกันตัวกําหนดแตกต่างกันคือกรรมเป็นตัวกําหนดจําแนกแบ่งแยกให้เลวและประณีตแตกต่างกันเมื่อก่อนนี่พบสุภาตัวติคนหนึ่งนะฮะก็เขานิมนต์ไปบรรยายนี่บ่อยๆก็ไม่เคยถามเขาฮนะแต่ก็ถามเขาเขาบอกว่าเขานะ่ะเป็นลูกที่พ่อแม่เนี่ยนํามาเลี้ยงแล้วเขาก็เล่าอะไรให้ฟัง ก็ทำให้เรานึกถึงเราเห็นกรรมได้ชัดเจนนะฮะว่าฐานะพ่อแม่เขาลูกเยอะแล้วก็ยากจนมากแล้วก็ไม่ต้องการได้ลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงเยอะแล้วก็อยากจะได้ลูกผู้ชายเพราะฉั้นแม่บุญธรรมเขาเนี่ยไปบอกว่าถ้าลูกแกคลอดมาเป็นผู้หญิงยังขอนะนะถ้าเป็นผู้ชายก็แล้วไปเอาตกลงกันอย่างนั้น พอได้มาเป็นผู้หญิงตัวแม่ที่คลอดเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรพอครบเจ็ดวันแม่บุญธรรมก็อุ้มมาเลี้ยงดูจนโตแก่โตเป็นเป็นนักเรียนแล้วนะฮะจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็ถามมันมีความรู้สึกอย่างไงแกบอกว่ารู้สึกเฉยเฉยรู้สึกภูมิใจที่พ่อแม่ปัจจุบนันเน้นํามาเลี้ยงไว้ถ้าไม่งั้นแกแย่เลยแล้วทําให้เราเห็นกระบวนการของกรรมพอแกอธิบายเลี้ยงกระบวนการของกรรมว่าเนี่ย มันเป็นอกุศนลกก ร, รมที่นำมาเกิดในสกุลต่ำอ่อนด้อยทางเศรษฐกิจมันทำหน้าที่ได้อย่างเดียวนะฮะคือตกแต่งพบชาติมาได้อย่างเดียวแต่จากนั้นก็มีกุศนลกรรมที่มีกำลังแรงมามาถึงทำหน้าที่เป็นอุปเชตกะรกรมหรืออุปค่าตกรรมคือค่าเลยค่าผลของอคุศนละ ร, รมัมเปลี่ยนภพภูมิของตัวเองใหม่เลย เปลี่ยนหมดนะฮะเราจะเห็นว่าเปลี่ยนส ก, กุลเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนอะไรแต่ไรเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็วิถีชีวิตคนเธอก็มีความเจริญก้าวหน้าเร็วจนจนทึ่งนะรู้สึกทึ่งแล้วก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าคนคนนี้ต่อไปยังไปีกรลรก็มีความฉลาดมีความสามารถแล้วการจัดการการประชาสัมพันธ์ติดต่อะตอะไรแต่ไรตังเก่งมากก็ทําให้เราเห็นกระแสของกลับ แล้วก็อธิบายธรรมะ ก, ก็เลยอธิบายธรรมะให้เอฟังเข้าใจนะนี่ก็คือคือกระบวนการของสิ่งเหล่าเนี่ยเราเห็นว่าขันเนี่ยมันเกิดมาด้วยกรรมเตวกรรมเนี่ยมันเป็นผลมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นเป็นบทสรุปว่ามีกิเลสกับกรรมมีกรรมิเลสกับกรรมซึ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกันกิเลสหยาบกรรมหยาบกิเลสน้อยกรรมบาปน้อยนะฮะ กรรมที่เป็นบาปน้อยกรรมที่เป็นบุญก็จะมากเพราะนั้นก็จะเป็นการสร้รรางรูปประคันขึน้นมาที่รูปประคันเวทนาตัญหาตังขามิจางก็ตามมานะฮะแต่ว่าในตรงนั้นแหละมันก็มีรายละเอียดของมันว่าทำไมรูปประคันบางคนหยาบกลางละเอียดไม่เหมือนกันทำไมบางคนรูปสวยทำไมบางคนรูปไม่สวย ทำไมบุคคลตระกุล ต, ต่ำตระกุญสูงทำไมพิพันธ์ดีพิพันธ์ไม่ดีทำไมสติปัญญาดีสติปัญญาไม่ดีทำไมมีความโน้มเอียงทางกุศลนั้นโมเอียงทางกุศลเป็นต้นอันนี้คือการจำแนกของกรรมรุนรวนตรงนี้เราสังเกตว่าเหตุในอดีตนะเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้มาการสมุทัยในอดีตเราตัญหามากตัญหาน้อยนีย่มันก็เป็นไปแล้ว่นะ แต่พอเรามาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าเราต้องรับผิดชอบในตัวตัณหาคือยังไงก็อยากให้แกคุมเรามากเกินไปเราพยายามคุมแกลดความเข้มข้นของแกเอาไว้แล้วก็พยายามสร้างกรรมที่เป็นกุศลแล้วพยายามเข้าใจนะเข้าใจถึงความจริงของขันทั้งห้าใ น, นรูปไปธนาตัาาญหาตัณหาตัณหาเวทนา มันก็กลายไปมองเห็นตัวผลคือตัวทุกขขันนะฮะคือก้อนของทุกข์เนี่ยอเอาก็จริงมันก็เป็นก็ผันอย่างงั้แหละที่พระเจ้าทรงสอนให้มองว่าเอวังธรรมโมเอวังภาเวเวังนันติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่สามารถล่วรุกขความเป็นอย่างนี้ไปได้ถ้าเราจับหลักประเด็นตรงนี้ได้ เราจะเห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของความยึดมั่นหรือมั่นในตัวทุกขขันธ์เพราะอะไรเพราะว่าทุกขขันธ์เนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากตัณหาไอ้ตัณหาในตัวแสบแหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยตัณหามันกลายเป็นเป็นพาหนะเป็นเครื่องอาศัยเป็นแรงผลักดันเป็นตัวพลังขับเคลื่อนที่จะนําจิตไปนะสู่ สู่ผลที่ตนต้องการทำให้เราเห็นว่าภารากิจหลักของเราจริงๆที่บางทีพระเจ้าทรงสอนเรื่องการละ บ, บาปบําเพ็ญบุญบางทีก็สอนจะพาะการมาเป็นบุ ญ, บรรบญหมายความท่าละ บ, บาปบําเพ็ญบุญก็คื อ, อ, อลดตัณหาแล้วก็เพิ่มอริยมรรคแต่บางทีก็ไม่พูดขนาดนั้นนะพูดเฉพาะการบาเป็นบุญเฉยๆ เพื่อเพิ่มพูนอริมากขึ้นอริมากที่เพิ่มพูนขึ้นก็จะลดพวกตัณหาลงไปเองแล้วเมื่อตัณหาลดกรรมมันก็ไปนิ่ดขึ้นกรรมนิ่ดขึ้นภูมิจิตก็ไปนิ่ดขึ้นภูมิจิตไปนิ่ดขึ้ น, พ, นพบที่จิตไปอุบัติก็จะประณีดขึ้นและแม้แต่วิถีชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะเห็นว่าภูมิจิตของเรามีความสําคัญมีบทบาทหลักในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เดินไปในทางที่ชอบหรือว่าในทางที่ผิดต้องฝั่งทั้งหลาย แต่หลวงพิทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบูรณนธรรมต่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี